และการพัฒนาบุคลิกภาพตัวอย่างในข้อนี้เช่นทำให้เป็นผู้มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงสงบเยือกเย็ยนสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสกระชับกระเฉงกระปรี้กระเปเร่าเบิกบานงามสงา่ามีเมตตาการุณามองดูรู้จักตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง คนมีนิวรมีลักษณะตรงข้ามเช่นอ่อนไหวติดใจลหลงไหลง่ายหรือหยาบกระด้างฉุนเฉียวเกลี้ยกาดหงุหงิ ด, งดมู่วามวุ่นวายจุนจ้านสอดแสลุกลีลุกลนหรือไอวเหงาเศร้าซึมหรือขี้หวาดขี้ระแวงหลังเลสมาธิเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพพร้อมและง่ายแก่การปลูกฝังคุณธรรมต่าง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 เช่นคนธรรมดามีเรื่องดีใจปราปลื้มอิ่มใจไม่หิวข้าวหรือพระที่บรรลุธรรมแล้วมีปีติเป็นพักษาฉันอาหารวรรณมือเดียวแต่ผิวพันธ์ผ่องใสเพราะไม่หวนละห้อยความหลังไม่เพ้อหวังอนาคตสภาพกายจิตสัมพันน์นี้อาจแบ่งได้เป็นสามระดับตามขั้นของการพัฒนาทางจิตขั้นต่าสุดทุกกายซ้ำทุกใจ